أعوذ ب ا ل له ดิ م บิส ا ل ل l l م h i a l r a h الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و, و ص س م ل عل م على نبينا م ح م د وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربشرح لي ف د ر ي و َ ي งสิริอัมรีวะฮ์ลูละกัตเตมิลิสานี ل ัลฮุคว ن ا ีอัลลอฮ ن ر. ر ا ع ل م ฟะเน ا บิมา ا و ัม ن ا ะนา ع ั م ลัมนาไม่ ن อมฟ ن เน ن นาและได้รั ا ر วามร ل ้อ ن ลบานะอัลลั ن นาอัลฟุสซานา ن ัล ن ัมทับบานะอัล วเฮยลานะมัอัมรีนาระชัดะ الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى นี่นะครับเ่าค่าคืนนี้เป็นค่าคืนแห่ง졸อิญะนะครับเริ่มเดือน졸อิญะแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตามที่ปรากฏในฮะดีษของท่านนบีส ل ลตาัลลอฮฺซละฮีวะซลัมไม่่มยม العمل صالح ัล العمل صالح ال ี่เห็นนะ ا ل นชอบอิละลอฮ์ณท ل ่ ا ل ล่า ا ี้10หรือว่าตามที่เขาบ ل กอไม่มีวันใดฉันทำที่ฉันทำงาน صالح งาน صالح ในหัดิษนี้ไม่ได้รับุว่าเป็นงานใดทุกๆงานที่เป็นงาน صالح เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺัลลอฮ์ นะครับให้เราทำให้เราปฏิบัติในช่วงสิบวันแรกของเดือนจนลหิจะเป็นความรู้สึกร่วมกันระหว่างพี่น้องที่กำลังปฏิบัติภารกิจฮัจญณสถานที่ดินแดนฮารอมนะครับก็เตรียมตัวเตรียมเตรีย ม, ท, มที่จะทำศาสนกิจฮัจญ์อีกไม่กี่วันข้างหน้า นะครับพวกเราที่ไม่ได้ไปทำพัชกนะ็คนจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของหัวใจในเรื่องของจิตวิญญาในเรื่องของการทําอามัลซอ่แหละนะการทําอามัลซอ่แหละตรงนี้เป็นอามัาลซอ่เล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามการจิกิรต่อล l l a h การกล่าวตัศนะการกล่าวตัมี์เป็นสิ่งที่เราทําได้ การอ่านอัลกุรอานการอิสตูฟานะครับหลายๆอันที่เราทำเนี่ยเราลองวางแผนดูว่าอะไรบ้างที่เราสามารถจะทำได้นะครับเท่าสุดความสามารถของเราในช่วงสิบวันของเดือนสุริยจักแน่นอนนะครับในสิบวันนี้มันก็ครอบคลุมวันอาราฟาด้วยแล้วก็วันอีกด้วยเดี๋ยวเราค่อยปรีกันใกล้วันกันละกันสัปดาห์หน้ายังมีอีกสัปดาห์หนึ่งเราเรียนให้ให้ให้สุด ไอ้สุดเรวอะไรนะไม่ได้มีสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เรียนนะครับก็เลยไม่อยากจะหยุดเยอะ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องบนอีกสัปดาห์หน้ายังอยู่อีกช็อตวะนะครับก็จะได้เรียนอสองวันก่อนที่จะได้เจอกันนะครับกับวันอื่นเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องถามว่าอะไรบ้างที่เราทำอามัซลซอ่ในช่วงเวลาเหล่านี้ได้ทุกอย่างเลยครับนะครับถ้านึกไม่ออกก็เนี่ย เราเสบะตั้งมีตัดเบร์ทุกๆวันเลยช่วงเวลากลางวันช่วงกลางวันเนี่ยในช่วงสิบวันแรกของรุ่งอิจฉาเนี่ยถูกเน้นเรื่องการทําความดีในกลางวันนะครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนเร า, าเคยเรียนเราว่าเราเคยผ่านช่วงเดือนระมดาดอนมาแล้วใช่ไหมครับที่เราบอกว่าสิบคืนสุดท้ายของระมดาดอน ถ้าเป็นกลางคืนอุลามาะบอกว่าสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนประเสริฐกว่าแต่ถ้าเป็นกลางวันสิบวันแรกของเดือนสุริจนนันท์นั้นประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นการซิกเกตนี่แหละผมว่าง่ายที่สุดแล้วและรวมถึงการตักเบิดด้วยตักเบิดวันอีมตักเบิดที่เราเรียกว่าตักบิดมุตลัตกตักเบิดแบบตักเบิดเนี่ยมันมีสองแบบมีมุตลักกับมุไกยมุไกย ก็คือตักเบ็ดหลังละหมาดวันอีดอิสลามจำได้ไหมทุกปีทุกปีเวลาที่เราละหมาดละหมาดฟ้าดูอ้าเวลาเสร็จเนี่ยนะครับจนถึงทั้งหมดสี่วัน่ะตั้งแต่วันอวห้าวันนะครับตั้งแต่วันอาัลลอฮ์็นถึงวันตะชริกวันสุดท้ายเนี่ยละหมาดเสร็จเราจะตักเบ็ดรายออันนั้นเราเรียกว่าตักเบ็ดมุอายัดตักเบ็ดหลังละหมาดแต่ตักเบ็ดมุสล็อกเนี่ยก็คือตักเบ็ดในบ้านตักเบ็ดที่ไหนก็ได้ นั่งรถอยู่ทำงานอยู่เราตักเบสได้นะสัฮาบะบางท่านในสมัยอดีตพอถึง10วันของเดือนอเลยาจะออกไปตามตลาดไปออกไปตักเบสตามตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นได้รู้ว่าถึงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับอ่านี้คือสิ่งที่เราทำได้นะอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮัลอฮฺัลลัลลอฮฺอัลลออัลลอลลลลอฮฺลฮัลลอฮฺอัออัลัลลอลลอ การทำอา말ล ا ل ح เราเนี inya, nah, ah wa, al al ่ยท่านนบีบอกว่าศัพท์ว่าวัลลจิฮาร์อยู่ในล ب a, a, a, ah a. h ดีตัวกันที่ออกไป jihad น่คทางของ a เลยหรือท่านนบีบอกว่าวลลจิฮาอน Allah j i h ลัก็ jihad ที่เราต้องออกไปที่สมรภูิยกเว้นว่าใครที่ออกไปแล้วไม่กลับนั่นก็คือตายช ه ي د เพ่านั้นที่จะมีความประเสริฐเหนือกว่าอา말 صالح ใน10วันแรกนี้เพราะฉะนั้น ฝากเพื่อนท้องด้วยนะครับนิดๆเราสามารถจะทําได้ก็นะครับอยา่าละเลยขออัลลอฮฺสุบไาห์นะวะตะอัลละวันนี้สุรทูฟสุสเซลัดเป็นกลุ่มอายัตที่มีความสําคัญมากสําหรับผมผมีความรู้สึกว่าอายัตนี้เนี่ยเป็นเหมือนอะไรดีเป็นเหมือนหัวใจของสุรท่ามกลางถ้าเราจะจินตนาการเนี่ยเราลองจินตนาการดูว่า สมมุติว่าชีวิตของเราเนี่ยดำรงหรือว่าดำเนินอยู่ท<ม>่ามกลางมหาสมุทรท่ามกลางมหาสมุทรที่มีคลื่นแห่งฟิสนะสูงใหญ่โตกําลังถาโถมเข้ามามากมายในชีวิตของเราเนี่ยก<ม>ลุ่มอายัดที่เราจะอ่านวันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเรือใหญ่ที่จะทําให้เราปลอดภัยหรือเหมือนเป็นเกาะกลางทะเลที่เราจะไป กำบังตัวเองให้เราปลอดภัยจากทิศหน้าต่างๆมาดูกันนะครับว่าอายัดนี้อายัที่เราจะอ่านตืนนี้นีเป็นอายัดที 3, ่สำคัญมากตั้งแต่อายัดที่สามสิบเป็นถึงสามสิบหกจากโซร์ุฟสิละดูซิว่าจะทันไหมอินชอนเราอยากจะให้ทันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมาเลยครับ อีชาชานะอีชาวัดสองทุ่มห้านาทีไช่ไหมเดี๋ยวละมาอ่านกันก่อนอาบิอชตอรจอินนนล้รับ ُنَ ا ل ل ه ฮฺُุนมَสตฺคُาَ ت َ้แน้สั ت َ ن َ ز َّ ل ้ عَلَيْهِمُ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة อ Allah ทَ่วข้าวและทั่วเหงาและฉันจะประกาศถَงสวรรค์ที่คุณต้องการ نحن أولياءكم <ت ص> في, <ق> في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما ت د ع ُ و ن E <em> <S <S น, นุ้ยุลามิน غ ฟุริอัลหิมนะครับแต่เราจะอธิบายให้หมดอิชนชอาล่ะถ้าอ่านหมดกลัวจะไม่ทันพี่น้องครับอย่างที่บอกไปนะครับอ้ยัดพวกนี้ถ้าใครฟ้องได้เนี่ยอยากจะสนับส น, นุนไอ้ท่องจับเป็นเหมือนคู่มือ ในการใช้ชีวิตห้ามกลางความสับสนความวุ่นวายในชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตเลยใครที่ยึดกับอายัดนี้จะปฏิบัติกับอายัดเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์นยครับภาพที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องที่ว่าบรรดาพวกกะเฟรเนี่ยเขาจะมีการสั่งเสียซึ่งกันและกันด้วย การชักชวนยังไงครับน้าละต้าลาบอกว่าต่อยอดเนาและฮุมปูรนานเนอบัณฑาคนที่เป็นปฏิปักษกับอัลลอฮฺต้ลตาลาเนี่ยจะมีคู่หูแต่คู่หูพวกนี้ไม่ได้เป็นคู่หูที่หวังดีคู่หูที่คอยชักจูงไปในทางที่ผิดชักจูงชักชวนบอากก็รู้และทศมาอูเลฮาดัลุคุรานชักชวนกันให้ปิดหู ไม่ให้ฟังอัลกุรอานุเปล่าริงนี่คือบรรดาคนที่เป็นปฏิบักษ์กับอัลลอฮ์ سبحانه และว ع ا ل ى ที่นี่ฉายภาพมาที่บรรดาคนที่เป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์แตลลาบ้างอันนี้เป็นวิธีการของอัลกุรอานนะครับทุกครั้งที่มีการพูดถึงคนที่เป็นปฏิบัติกับอัลลอฮ์ต่อไปก็จะพูดถึงฝ่ายตรงกันข้ามให้เห็นภาพให้เปรียบเทียบเห็นภาพเลยถ้าคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แตลลามีสภาพอย่างไร คนที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ควรจะมีสภาพอย่างไรนี่แหละคืออายะฮ์ที่เราจะเรียนวันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาใช้ชีวิตอย่างไงถ้าบรรดาคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอล์เขามีวงพูดคุยของเขาในเรื่องของการชักชวนทำในสิ่งที่ผิดผู้ศรัทธาควรจะต้องทำอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอล์จะบอกกับพวกเรา อินนัีน الذين ق ا อ و ا ربنا ا ل ل บรรดาคนที่กล่าวว่าพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์ผู้ศรัทธานั่นเองซุมมัสติกามูม่ช่พระเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องอิสติกามะอิสติกามะก็คือการยืนหยัดยืนหยัดตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หัวใจก่อนเลย หัวใจมาเป็นลำดับแรกเลยนะครับจะยืนหยัดได้อย่างไรถ้าหัวใจตอนแคลนโอนเองเชื่อฟังคนนู้นเชื่อฟังคนนี้ไม่มัน่นคงหัวใจต้องมันง่นคงยืนหยัดในความศรัทธาของตัวเองที่มีต่อล l l a h Subhanahu wa Taala แม้ว่าจะมีเสียงเรียกไปสู่การกู้ฟืเสียงเรียกไปสู่การชีริกเสียงเรียกไปสู่การไม่ยอมให้ฟังอัลกุรอานอิสติกละ ทำอย่างไรให้หัวใจของเรานั้นยืนหยัดนะครับถ้าทำได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออินนัลลัติน ا อามันอินนัลลัตินะกาลูรับบุนอัลลอฮ์ซุมมัสตัความ ر อัสสัตติบะวยงะอัยอักรฟูวนัทูวารดูบรูบูบียะติลลาฮิเทาลาวัสเตสลามูเลอัมริ ทุ่มสตอ ا م ุ่งสู่ทางที่ตรงไปตรงมาผู้ที่เชื่อเชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และพวกเขาก็ยืนหยัดบนเส้นทางที่เที่ยงตรงทั้งในเรื่องของการแสวงหาความรู้หาความรู้อยู่เสมอให้ตัวเองรู้จักอัลลอฮ์และทั้งในเรื่องของการปฏิบัติอามันนี่คือการอิสติควะ สิ่งที่พวกเขาจะได้ก็คือจะต้นน al ั um ya, ่งแล้ะ عليهم الملائكة فلاهم ا ل ิล ر ا في الحياة الدنيا في الآخرة นี่คือข่าวดีอายัดนี้เป็นข่าวดีใครที nan, y y y ่ยืนหยัดได้นะครับต่อสู้จนกระทั่งตัวเองนั้นยืนหยัดอยู่จนวินาทีสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็คือมาลาอิกะจะลงมาเป็นผู้หูให้กับพวกเขา ถ้าบรรดาคนกาเฟรมีชัยตอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ศรัทธาและยืนหยัดอิสติกละจะมีมาลาอิกั์ลงมาเป็นผู้ช่วยอายัดนี้เนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์กําลังจะเสียชีวิตช่วงที่เราก่อนจะตายเป็นช่วงวิกฤตที่สุดในชีวิตของเรา นะครับวาวุ่นสับสนไปหมดคิดด้วยเปือยมาทุกอย่างเลยนะครับจะไปยังไงในกูโบมีอะไรจะข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วที่อยู่ข้างหลังนี่มีอยู่เท่าไหร่ต้องมีลูกมีเมียมีที่ดินมีรถมีตำแหน่งมีงานมีอะไรโอ้สับสนดุ่ะไม่รู้จะไปยังไงจะทิ้งไปไม่ไหว อ่ะจะไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรแล้วครั้งหลังก็ยังมีอัลลอฮอักบาร์นี่แหละที่ช่วงใกล้ตายเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตของเราเป็นช่วงที่เราต้องการคำแนะนำที่ดีที่สุดว่าจะทำอันนี้แหละที่เขาบอกว่าชัยปอนเนี่ยจะมาหาเราช่วงเวลาสาคัญสาคัญช่วงวิกฤตอยู่สองสามช่วง ตอนที Birthday, ่มนุษย์เกิดใช้ตอนก็มาครั้งหนึ่งละตอนที่ม น, นุษย์เกิดแล้วตอนมีอยู่สามที่ตอนไหนบ้างและใครจาได้บ้างแต่หนึ่งในจํานวนที่ที่ใช้ตอนช่วงที่ใช้ตอนจะมาแย่งก็เรียกว่าอะไรนะแย่งซีนเพื่อที่จะมาเปาหูหนึ่งในจานวนช่วงเวลาเหล่านั้นก็คือช่วงเวลาที่เราใกล้ตายอัสสลฺลลอฮฺวะอะลัยฮแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธา รักษาสภาพศรพัทธาความศรัทธาของเขาต่อ Allah ุบ b า a n a h u Wa Taala จนถึงวินาทีสุดท้ายเมาลาัยกั๊กจะลงมาอต่นี่คือทัศนะ์ส่วนใหญ่จะบอกว่าหมายถึงก่อนก่อนตายแต่ก็ยังมีนักตักซีดบางท่านอย่างเช่น อ, อัสษดีเนี่ไม่ได้บอกว่าก่อนตายบอกว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะก่อนตายนะทุกวันเมลัยกั๊กมาหาเรามาคอยให้กำลังใจเราด้วยการให้อิลามกับเราลงมาบ่อย นะครมลายกัตคอยมาเฝ้าเราทุกวันถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นคนที่อิสลามมาอย่างไรก็ตามนะครับจะเอาความหมายไหนก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นข่าวดีสําหรับใครครับสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนการศรัทธาต่อ Allah ต้องการอะไรโดยเฉพาะยิ่งยิ่งช่วงเวลาใกล้าตายอันนี้เราต้องการมากที่สุดนะครับมาลายกัต น, นี่ลงมาบอกว่าอย่างไง Allah taqwa ولا تحزنوا وأبشر وا بالجنة التي كنتم تعدون الله أكبر คำพูดที่ทาให้เรามีกำลังใจ لا تخافوا อย่ากลัวเลยกลัวเนี่ยหมายถึงกลัวในเรื่องอะไร الخوف غمن يلحق النفس لتوقع مكروئ في المستقبل คำว่า ก, กลัวตรงนี้หมายถึงความทุกข์ที่เรากําลังจินตนาการที่กําลังทําให้ใจของเรานั้นหวาวุ่นเวลาที่เราคิดถึงเรื่องอนาคตความกลัว่หมายถึงสิ่งที่เราจะต้องเจอในอนาคตอย่ากลัวอย่ากลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอนาคตเจ้าจะต้องเจอกับอะไรไม่ต้องกลัวได้นะรับข่าวดีแน่นอนความสุขเศร้า ความกังวลรัมม์ยลพะคะลาลิฟวะติน فع น์ในทีานไเป็นความทุกข์เป็นความว้าวุ่นที่มันเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเราคิดถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตเวลาที่เราคิดถึงความความผิดที่เราเคยทําความผิดพลาดของเราบาปของเราหรืออะไรก็ตามที่เราต้องจิ้งเอาไว้เรื่องหลังเราเนี่ยโอ้ตังวลมาชาล่า อนาคตไม่ต้องกลัวสิ่งที่เจ้าเจ้าเหลือไว้เบื้องหลังก็งไม่ต้องกังวล น, นี่คือคําพูดของบรรดามลาอีกะฮ์ที่จะมาปลอบใจเราอัลเลาอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลอับชิรูจงรับข่าวดีเธออับชิรูอับชิรัชิรไปถึงเาเอาดีรับข่าวดีเธอนะครับยินดีด้วยคอนแะกรทูเลชั่นแสดงคิดว่ายินดีด้วยขอแสดงความยินดี ว่าอบชิรุจงรับข่าวดีเถิดในจันทร์ที่เลุตุตัวอดุดรรับข่าวดีด้วยสวรรค์จากอัลลอฮ์ตามที่พระองค์นั้นสัญญาให้กับพวกเจ้าอยากได้ยินไหมครับคําพูดนี้ไม่มีคําพูดใดแล้วนะครับที่เราอยากจะได้ยินตอนที่เราจะหมดลมหายใจจะออกไปจากดุนยากลับไปอัลลอฮ์ตาละมากกว่าคําพูดนี้คําพูดใครเราก็ไม่อยากได้ยินแล้ะ อยากจะได้ยินคําพูดก็ถ้าคําพูดของมลเอกัต์เนี่ยประกันเลยคําพูดของมนุษย์เนี่ยเรายังประกันไม่ได้ <laughs> มนุษย์มนุษย์ไม่ได้รู้อนอมนุษย์ยังไม่ได้รู้ในสิ่งที่มลเอกัต์รู้มลเอกัตย์รู้ดีกว่ามนุษย์ถ้าเป็นช่วงเวลาใกล้ตายเพราะว่านะคนที่มาอัลลอลาส่งมลเอกัตย์มารักวิญญาณของเราเนี่ยตรงตามก็เรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นคนดีก็จะส่งมลเอกัต์ที่ เฉพาะมารับวิญญาณคนดีถ้ามลาิกที่มารับวิญญาณคนไม่ดีก็จะส่งเฉพาะมลาิกที่มารับวิญญาณคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามลาิกที่ลงมาเนี่ยพูดดีกับเราปลอบโยนเราอินชาอัลลอฮ์เป็นข่าวดีอย่างแน่นอนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ نا من ه ؤ ل س ت ق ا م ت ز ع ل ي ه ا ل م ا ئ ك إ الله นะและอัลกิรุบัลจันนต์ที่ทีคุณตัมตัวอดนอัลลอักบในช่วงเวลาวิกริเราก็ยังมีนะครับคนที่ให้กำลังใจเราอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนยังไงครับเป็นบทเรียนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังไม่ตายตอนนี้แต่เราก็ยังเจอกับเรื่องที่เป็นทุกข์อ่ะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางทีเราไม่ต้องการอะไรเลยนะ เราแค่ต้องการคําพูดดีๆจากใครบางคนที่พูดออกมาด้วยความจริงใจกับเราอยากจะบอกให้กับใครก็ตามที่กําลังเจอกับความทุกข์ความทุกอยู่ณช่วงเวลานี้นะครับลองแสวงหาคําพูดดีๆดูให้กับตัวเองแล้วความซึมเศร้าของเราความหวาดกลัวของเราเนี่ยมันก็จะทุเลาลงคําพูดดีๆหามาจากไหนเนี่ยเอามาจากอัลกุรอานนี่เลย เอามาจากอุอุนเอามาจากฮะ ด, ดีษของท่านนบีที่พูดถึงคนที่กลับเข้าไปสู่กระบวนการเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนการศรัทธานี่แน่นอนมันช่วยทุเราความรู้สึกทุกของเราได้อคําพูดแบบเนี้ยอายัดแบบเนี้ยช่วยให้เราคลายทุกนะครับอย่าจมอยู่กับความทุกให้กลับเข้าหาอัลละฮ์เมื่ออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกกลับเข้าหาอัลลอฮ์ซุลกานะวะตละลาตันทีและตะรัน อินนั่ลลอฮฺมะนะในคำพูดนี้ท่านนบีสัลลัลลอฮฺซายด์ลมเคยพูดกับใครพูดกับอบูบักตอนที่อยู่ในถ้ำสองคนอบูบักเนี่ยเป็นทุกข์มากกลัวมากกลัวว่าไม่ใช่กลัวว่าตัวเองจะตายนะกลัวว่าพวกผู้ชัรกีเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายท่านนบีในถ้ำาวต่ละนะแอ่ละออะไรนะท่านนบีสัลลัลลอฮฺซายด์ลก็เลยพูดท่านอาบูบักว่าลกเถะเจ้ไม่ต้องทุกข์หรอก อินนัลลอฮฺมะอานะบางทีเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราเจอกับความทุกข์อย่างนี้แค่พูดคำพูดที่ให้กำลังใจมันก็ช่วยหัวใจเขาให้ฟ่องฟู่ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับที่มาลายมาลากัสเนี่ยแน่นอนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราไม่เพียงแค่นั้นยังมีอีกนะยัง น, นี่ยังเป็นคำพูดของมาลายกัส ต, ต่อนะนะฮ์นู อ, อลัลลยาอุคุม ในชีวิตที่นี้และในโลกหน้าพระเจ้าทรงรับเราเป็นวะลีให้กับปวกเจ้าเอาเลียมาจากคําว่าวะลีซึ่งหมายถึงคนที่คอยช่วยเหลือนุซาร้อุกุมนั่นคเอาเลียอุกุมเราเป็นผู้ช่วยเหลืออ่าคอยสนับสนุนอยู่ ในการที่จะให้พวกเจ้านั้นเป็นคนที่จะทำความดีต่อล l l a h ในโลกดุนี้นี้ว่าฟิลอ ah ัคราและเราก็ยังเป็นเพื่อนคอยต้อนรับพวกเจ้าในวันอัคราวันอัคราในเมาลัยกัสจะต้อนรับอันดาผู้ศรัทธาในการตอนที่เข้าสวรรค์เนี่ยเมาลาัยกัสจะมารออยู่ที่ประตูสวรรค์แล้วก็จะมาพูดต้อนรับสละมุนาอะไรกลมให้สละเ ม, มาลัยกัสจะคอยให้สละกับชาวสวรรค์สละมุนนาอะไรกลมติบตุ้ม Salamualaikum dimasa baratum. MashaaAllah. Nah, ini tanrap. Ipek caw dekau sawan. Nung cakup caw oton. Tonting hidup janelah tu. Yang ini kekampung kau malaikat. Icek put newan. Newan akhirah. Nah, dunia, kertun, nah hai di dunia, koy keratun. Koy, ai kau di. Kepok kau. Waktu yang kita jumpa dengan masalah. อยากจะเจออะไรกันตอนไหนบ้ามีสหายบะางคนหนึ่งมาหาเอ่อเรื่ออะไรละอัลอาซีดีเรื่ออะไรแล้วเจอะสหาบะางที่มาเจอกับท่านอบูบักกะแล้วบอกว่าฉันเป็นมนาฟิกแล้วฮั่ซาละฮั่ซาละอัลอาซีดีมาเจอกับท่านอบูบักกแล้วบอกว่าตัวเองเป็นมนาเซตอบูบักกก็ตกใจเพราะว่าสหาบะางคนนี้ไม่ได้มี คุณลักษณะของมนา่าเฟกเลยแต่ฮังจอนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเวลาอยู่กับท่านนาบีมีความรู้สึกว่าท่านนาบีบอกอะไรบอกสวรรค์บอกนรกเหมือนกับเห็นอยู่ข้างหน้าเลยแต่พอกลับไปอยู่บ้านไปอยู่กับลูกเมียไปอยู่กับมา้าไปอยู่กับควไปอยู่กับดุนยาของตัวเองสวรรค์นรกที่เคยเห็นที่เคยจินตนาการมันหายไปหมดอีห ม, มาน่ะมันมีขึ้นมีลงอ่ะก็ลเลยคิดว่าเฮ้ความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของมนาเฟค อบูบักก็ตกใจบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันเองก็เป็นโมนาเฟกเพราะฉันเองก็เป็นเหมือนอกันก็เลยว่าไปถามท่านนบีไปถามท่านนบีว่าตกลงความู้สึกนความรู้สึกอะไรกันแน่เอาไปบอกกับท่านนบีท่านนบี ส, ล ส, ลสลบุลตะานลำบอกว่าถ้าพวกเจ้านะเนี่ยเกี่ยวกับะอะไรกันละ่ะถ้าสมมุติว่าพวกเจ้าในแต่ละวันเนี่ยมีชีวิตอยู่เห็นสวรรค์เห็นนรก24ชั่วโมงอย่างเงี้ยอิมานเต็มอยู่ตลอดเวลาเนี่ย แน่นอนพวกเจ้าสามารถที่จะจับมือกับมาลาอีกัตผลันดหนอนได้เลยแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้สหบัติก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอม م า ن เต็มสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหเราสามารถที่จะเห็นมาลาอกัตแล้วก็จับมือกับมาลาอกัตได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ไ่้อย่างไรก็ตามมันก็มีช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับบรรดามาลาอีกัต น ja ี่ไงช่วงเวลาที่เรามานั่งอยู่ในมัสยิดอย่างนี้ในฮะดิษของท่านนารวีบอกว่าทุกครั้งไม่มีเบาวกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มานั่งล้อมวงกันอยู่ในมัสยิดมาอ่านคําภีรอัลกุรอานมาตัดารุสอัลกุรอานยกเว้นว่าละอะไรจะให้พวกเขาเจอกับอัสจรรย์นะความรู้สึกสงบในใจแล้วก็จะให้มาละอิกัดเนี่ยมาห้อมล้อมอัลฮัมดุลิลละเราจะไม่สัมผัส เราสำผัสไม่ได้หรอกกับมาลาอิกัตเพราะว่า إ ม م ا ن ของเราไม่ถึงแต่ขอให้รับทราบเอาไว้ว่ามาลาอิกัตอยู่กับเราตอนนี้ในดุน ي ة นะไม่ใช่ในวันอัคราณ์ณเวลานี้เนี่ยเราอยู่กับมาลาอิกัตอยู่อันนี้ในดุน ي ة นะหนูอุลิยาอุคุบในฮีวิตดิจุนอยามาลาอิกัตอยู่กับเราตอนนี้ในดุน ي ة และในวันอัคราอันนั้นเราจะได้เจอจริงๆแล้กับมาลาอิกัตมาลาอิกัตจะมาต้อนรับเราจะมาให้คําพูดดีๆกับเราอีก เป็นเพื่อนกับมาละอิกัดนะครับวะละคุณฝีฮามาตะชติอันฟุศุคุมวะละคุมฟีฮามาตะด่าอุนโอ้ยังพูดไม่จบเลยอะยังยังให้คำพูดที่ดีกับเราอีกเ่อในวันอัคยรันั้นพวกเจ้าเป็นยังไงครับอะไรก็ตามที่พวกเจ้าอยากจะได้อัลลอลาจะให้หมดเลยเราอยากจะได้อะไรในวันอัคยรัมีบางฮ a d i นะบางห a ด i s ที่บอกว่า คนที่เคยทำสวนในโลกดเนียบัญ <laughs> ชาละเป็นชาวสวนน่ะคือติดนิสยัยอยู่ในสายเลือดอะ่ะว่าเป็นคนที่ชอบทำสวนพอไปถึงวันอาะคีร์เนี่ยเป็นยังไงครับอยากจะทำสวน <laughs> ละอิล้ะฮ์อิลอลล l l ก็ไปขอจากอัลลอฮฺตาลาว่าอยากจะทำสวนอยากจะได้อะไรอัลละจะให้หมดเลยว่าละคุมฟีฮะไม่จะจะใอันฟุซุกม เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแม้กระทั่งจะอยากจะทำสวนอะตรอาไายังให้เลยแล้วเรื่องอื่นๆที่เราอยากได้นะ่ยจินตนาการไปเลยเราอยากได้อะไรขอให้เป็นชาวสวรรค์ก็เถอะก็ออไม่ใช่ว่าอยากได้อยากได้แต่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติถ้าไม่มีคุณสมบัติเป็นชาวสวรรค์ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะขอขอไปก็ไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ก่อ น, นเราเคยบอกว่าหนึ่ง อย่าเป็นชาวนรกเด็ดขาดน่ากลัวเบ้อถ้าเป็นชาวนรกเนีย่ยอายัดเราอ่านไปแล้วอย่าเป็นชาวนรกเด็ดขาดต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ถ้าได้สองอย่างนี้ก็คือจบแล้วชีวิตนี้ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วอ่ะถ้าไม่เป็นชาวนรกสบายแล้วไม่ต้องถูกลงโทษและถ้าได้เป็นชาวสวรรค์ปุ๊บอยากจะได้อะไรได้หมดเลยนี่แหละชีวิตมันง่ายๆแค่นี้แต่เวลาทำนี่แหละ ที่ต้องต่อสู้กับมันหน่อยต้องอิสติกมะกับมันุย์เงไงให้เราได้เป็น้าสู้กันว่ลักุมฟีฮ์มาทัศตาฮีอังอุสุกุมว่ลักุมฟีฮ์มาตัดดะอุนละในนั้นเนี่ยพวกเจ้าอยากจะขออะไรจาก Allah ล l l a h ตกลากันจะให้มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะอ้อ2นี้เนี่ยที่มารายการบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าตด้ได้หีเนี่ยหมายถึงอยากปรารถนาเป็น้องครับระวังบางอย่าง ในโลกโดุนียาที่เราอยากแต่มันไม่ถูกระงับก่อนอดก่อนบางสิ่งบางอย่างในโลกโดุนียาเนี่เยเราเห็นคนอื่นเขากินตามใจอะ่ะหาลาหารอมอะไรไม่สนเลยถ้าใช้ชีวิตแบบชาวสวรรค์ในดุนียาก็จะไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ในวันอคัคราถ้าในดุนียนี้กินทุกอย่างตามใจ ระวังให้ดีอาจจะไม่ได้กินอีกครั้งในวันอัคคีรัตต่อไปเข้าใจไหมครับบางคนน่ะนะคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกสุภานาฏะแหละตอนที่อยู่ในดุนียอยากจะกินอะไรกินหมดเลยไม่สนฮาราฮารอะบทลงโทษของคนที่กินเหล้าในดุนียก็คือในวันอัคคีรัตจะไม่มีสิทธิ์ได้กินเหล้าต่อไปเพราะฉะนั้นเราวังให้ดีอะไรที่มันฮารอมในดุนีย ระ ง, งับตัวเองบังคับตัวเองอย่าไปยุ่งแล้วสักวันหนึ่ง Allah Taala ะจะตอบแทนให้เราได้รับทุกอย่างที่เราจะอยากได้ในวันอัลลอฮ์ในสวรรค์นี่อยากจะกปนอะไรมีเป็นสิบๆชนิดเป็นล้านๆเป็นหมื่นๆชนิดนะครับแม้กระทั่งออันหารแม่น้ําในสวรรค์เนี่ยแม่น้ำสี่สายในสวรรค์ที่เราเคยเรียนในโทรอะไรจาได้ไหมอันหาร มันคมรมล้านีไมาเป็นแม่นนะมัเลยนะลิ้นที่ชาวบีว่าในนี้แม้ต่สติอันฟุ่มเฟืสิ่งที่เราอยากจะได้ถ้าสมมติมันเป็นสิ่งที่อาลัยโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมในโลกดุนนี้ระนับบังคับตัวเองระวังก่อนคอยไปรับในวันในวันอัคราเพราะว่าถ้าเราละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺอะไรในโลกุนี้ ในวันอัค i r เราไม่ม an, ah, ีสิทธิ์จะได้สอิควาไฟ والعياذ بالله ولَكُم ลِ ي ه َ ا م َา تَدَاعُوا نُزُلًا مِنْ غ َ ا เป็นแขกเป็นการต้อนรับเราในวันอคร i ะเนี่ยเราเป็นแขกของอัลลอ์อัลลตาลรับรองเราเลี้ยงดูปูเสือเราทุกอย่าง มุกินรฟูรจากพระองค์ผ nah, Ta ู้ทรงอภัยแสดงว่าคนที o, ่เป็นมุกมินเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ตาลาต้องอภัยให้กับเราแต่แล้วคนที่เป็นมุกมินบางทีก็มีบาปแต่ก็ได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์ตาลาอภัยอหละฟูรอัลร่ำฟรอัลร่ำฟูร์อัน่ฟูร์อัลร่ร์อัลร่ำฟูร์อัร่ำฟูรับร่ำอัลร่ำฟูลร่ำ์อัลร่ำฟููอล ผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาอย่งลาอิลลอิลลอห์อัลลอฮุมะอัลลอฮ์นี่คือสภาพของของผู้ศรัทธานะครับทีนี้ถามว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาและอิสติกวม์ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางของผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้คำถามก็คือว่าแล้วจะทำอย่างไรให้เรายืนหยัด มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่ยืนหยัดได้อายักต่อไปเป็นการบอกทริกบอกเคล็ดลับเป็นผู้ศรัทธาถ้าอยากจะยืนหยัดต้องทำสิ่งต่อไปนี้อาจจะมีหลายวิธีนะแต่วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเป็นคนที่ยืนหยัดคนศาสนาของลเร า, าได้ก็คือ มิมันต่อาอิละล ل ل ه و ع า م ل ص ا ل นี่เป็นอายะที่เป็นเหมือนทริกเป็นเคล็ดลับเป็นคำแนะนำจากอัลลอฮ์อายะที่เชิญชวนให้เราทำหน้าที่ในการบอกต่อมุขมินเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวเอง ความดีที่อยู่ในตัวของมุฟินผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆเราต้องบอกต่อความดีนี้ให้กับคนอื่นด้วยว่ามันอัจสันกอเลมมันมันดาอิลล a l l จะมีใครอีกที่มีคำพูดที่ดีมากไปกว่าคนที่เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เราต้องเป็นคนที่เชิญชวนคนอื่น บอกความดีให้กับคนอื่นด้วยต้องเป็นนักด่อีด้วยซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องทำต้องต้องอะไรเขาเรียกนะต้องเป็นสายงานเฉพาะเฉพาะคนเท่านั้นที่ทำหน้าที่นี้ได้คำว่าเชิญชวนไปส่วงว่าเนี่ยโอ้โหมันคว้ามมากมีส่วนร่วมในการที่จะให้คนอื่นได้สัมผัส ศาสนาของลัทธิสุลตานอัลตัลลาตามกําลังความสามารถที่เรามีอายันี้เนี่ยนักตักเียบางท่านบอกว่าหมายถึงคนที่ทําหน้าที่อาซาณเพราะคนที่ทําหน้าที่อาซาี่กำลังเรียกอะไรเรียกให้คนมาละหมาดได้ไหมดีที่สุดเลยเรียกให้คนมาละหมาดเพราะมัทธิวเขาละเมิดมันด้อาอิลลอหเป็นความประเสริฐของคนที่ทําหน้าที่อาซาณ แต่ว่าความหมายของมันไม่ใช่เฉพาะคนอาสานเท่านั้นคนที่ทำหน้าที่ให้คนอื่นได้เข้าถึงอิสลามด้วยวิธีการไหนก็ได้สมัยก่อนอาจจะยากแต่สมัยนี้เนี่ยเรามีเฟซบุกฟมีลายเห็นไหมบางคนชอบแชร์แชร์เรื่องไร้สาระเรื่องสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารส่งได้ทุกวันทาไมเราไม่แชร์ นของดีๆ ด, ด้วยเผื่อว่าคนอื่นจะได้รับสิ่งดีๆจากการแจร์ของเราแต่ามาดูในอซาเดียซะดีนี่บอกเนี่ยซะดีเนี่ยอธิบายความหมายไว้กว้าง ม, มากเลยเกี่ยวกับการทํางานดาวะอท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่ามิม ah ันดาวะอิลลอห์บิตระลิมิลจ اهيلي การให้ความรู้กับคนที่จ اه ลิว่าวอัลละฟิลีนวลมูอริดีนการให้อว่ากับคนที่หลงลืม w a Mujadaratilmuutili, kantojian d e g a n orang yang menjadi partipak, orang akan ambil alih alihnya, alihkan kauhmuatet, mafyfra. Bil amri biibadatillah, b i j a m i a n w a i h a s a n a k s a n u l i k pun t a m i b a d a t t a Allah, songserm, t a m i b a d a t t a Allah. Ah, banyak sekali. Tiga paragraf. w a m i n a d d a w a t i ila l l a h tahbibuhu ila i b a d i h วิธีพิทาฟาซีลนี่อะมั้งการพูดถึงเนตมันของ Allah การพูดถึงเนตมันของ Allah ทั้งอัลลอฮ์ให้ให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นการ دعوة โอ้ว่ามิน الدعوة إلى ا ل ل الترغيب في ا ق ا ل ع ل م و ا ل ي ث من كتاب الله การเชิญชวนให้คนอื่นเรียนอัลกุรอานการเชิญชวนให้คนอื่นเรียนอะดีของท่านนบีอยู่ในโหมดของการ دعوة دعوة ไปสู่ a l l ทั้งนั้นเลย ว وا م إلى ن ذلك ا ل นนั้น م و ้นนั้นนั ا นนั م น ا ั้นน ا ้นน ا ้นนั้นน ا ้น ا ั้นนั้ ا س ั ب นนั้ ل นั้นนั้นนั ل ا นั้นนั้น ب ั ا นน ا ้นนั้นนั้นนั้น ك ั ا ل นั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนัรนนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นาั้นนั้นนั้นนอ้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้ยั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั อยู่ในอายัดนี้หมดเลยเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรลองคิดดูส่วนร่วมด้วยการเขียนเราก็เขียนส่วนร่วมด้วยการพูดเราก็พูดส่วนร่วมด้วยการนักเสฮัดเราก็นากเสฮัดส่วนร่วมด้วยการให้บริจาคเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เราก็บริจาคให้เรามีส่วนร่วมได้ทุกช่องทางเลยออยู่ในอายัดนี้หมดเลยนอกจากนั้นต้องรวมด้วยนะว่อะมีลา ص ا ل า เชิญชวนคนอื่นแล้วตัวเองต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าบอกคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำอันนี้เนี่ยอินุกาซีร์บอกว่ายังไงมีในทัศิรอินุกาซีร์บอกว่าปัไอ้วนนั้นซีฮีมหดดินบีมาย่าูลุห์ฟานั่งฟังฟานั่งฟังหุ่นนั้นซีฮีและกม ว่าหมา่ใช่เขาเงเนคนที่บอ ก, อกบอระนนทาในสิ่งที่เขาได้รับคำแนะ่วจากคน้อื่น ห้ามคนอื่นแต่ตัวเองกําลังทาอ่านี่คือความหมายในภาพรวมนะว่ามิลาซาลิฮันว่าก็ลอินนีมินัลมุสลิมีนและประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันเป็นหนึ่งในจํานวนมุสลิมต้องภูมิใจต้องมีความรู้สึกอ่าอิ่มใจภูมิใจกับชุดในตัวเองนะั้นเป็นเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิม แน่นอนว่าภารกิจการทํางานดั้วะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะสบายไม่มีใครมาทําร้ายเราไม่มีใครมาว่าเราแต่เวลาที่เราพูดอะไรออกไปปุ๊บเป็นยังไงครับมันจะเริ่มมีล้เริ่มมีคนมากันแน่กันแหนะเริ่มมีคนมาอย่างงู้นอย่างนี้ทุกการทํางานเพื่ออัลลอฮฺสุบัยอะลัยฮิสซาลาจะต้องมีอุปสรรคตลอดคนเรามันมีหลายแบบ ด่าวาของเราก็เลยต้องเผชิญกับปัญหาหลายรูปหลายรูปแบบคนที่บางคนก็เชื่อฟังง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรมากแค่บอกนิดเดียวเขาก็ฟังละบางคนอาจจะโลเลอ่ะก็ต้องพูดให้หนักหน่อยต้องใช้วิธีการแบบแบบอีกแบบนึงพูดให้กําลังใจหรือขู่นิดๆอะไรก็ว่าไปแต่บางคนนี่คือเถียงเลยเถียงไม่ตกฟากเลยบางทีอาจจะโดนสอกกลับก็ามาแบบ หนักๆเลยใช่ไหมครับอ่นนี้คือหนทางของคนที่ทำงานเป็นปกติที่ต้องเจเพราะฉะนั้นเราตั้าลาจึงให้คมแนะนำในอายะต่อไปความดีกับความชั่วไม่เท่ากันไม่เท่ากันในภาพรวมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินต้องยึดกับความดี ในภาพรวมนะครับไม่เกี่ยวข้องว่าใครกับใครก็แล้วแต่ทุกคนเราจะต้องทำดีกับเขาอิดฟะบิ l เลติฮิ a าอัลและในกรณีที่คนอื่นทำร้ายเราเราจะตอบกลับยังไงให้เราตอบกลับด้วยสิ่งที่ดีกว่าด้วยวิธีการที่ดีกว่าเข้าใจไหมครับ เขาโยนโคลนให้เราอะไรที่เราจะโยนให้เขาโยนขี้อันนี้ดีกว่าไหมอสัสสามุณลอห์นี่คือนี่คือความจริงในชีวิตทำได้ไหมครับโหยากมาก เขาโยนสิ่งไม่ดีให้เราเราจะโยนสิ่งไม่ดีเขากลับไปเนี่ยออรอวัดยากจริงๆยากจริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าต้นไม้อ่ะต้นไม้เนี่ยเราโยนไม้ใบใช่ไหมแต่ต้นไม้โยนอะไรให้มาโยนผลไม้กลับออกลงมาให้กับเราจริงๆแล้วมุสลิมควรจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าทําได้ไหมยากมากแต่ที่ง่ายมากคืออะไรเขาโยนมาหนึ่งดอกเราโยนไปกี่ดอก สามดอกยังน้อยไปบางทีสิบดอก <c oughs> แล้อีละฮะอิ ล, ล, ละหละเห็นไหมต้องฝึกครับเรื่องนี้ <c oughs> อย่าบอกว่าอาจารย์มันไม่ยุติธรรมใช่ในเรื่องนี้เราจะไม่ยุติธรรมแต่เราต้องดีกว่าเขายุติธรรมก็ได้อย่างน้อยยุติธรรมเนี่ยได้แต่ดีกว่าก็คือต้องเราต้องทำดี มากกว่าที่อ่ให้เกินกว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตอบเรียกว่าอะไรนะอมันมีสองแบบก็คือถ้าเขาโยนมาหนึ่งอันเรายนกไปหนึ่งอันอันนี้ยุติธรรมแต่สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นก็คือเราโยนสิ่งที่ดีกว่าับไปหาเขาผมพูดแบบรวมๆนะไม่อยากจะยกตัวอย่างไม่อยากจะยกตัวอย่างให้เราลองไปคิดดูเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเชิญหน้ากับคนที่ว่าร้ายเรากล่าวร้ายเราเนี่ย บางทีมันอดไม่ได้หรอกอที่อยากจะว่ากลับอยากจะทำกลับแต่อิสลามแนะนำว่ายัางไงให้ตอบกลับด้วยคำพูดที่ดีกว่าด้วยการประทําที่ดีกว่าเพราะว่าผลของมันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเพาะว่าตาลาบอกว่าใครที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ a ล l a h แต่เราจะเปลี่ยนสภาพความเป็นศัตรูระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้กลับมาคืนดีกันให้กลับมาเป็นเพื่อนกันสนิทกันวะลี่ลก็คือคนที่สนิทมากมากแมี่เพื่อนที่สนิทมากมากเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพื่อให้เขากลับไปหาล l l a h เราไม่ได้ทะเลาะกันบนพื้นฐานของตดุเมยียเราไม่ได้ทะเลาะกับเขาเราไม่ได้มีเรื่องกับเขาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ไ ด, ได้เราต้องการให้เขาเนี่ยอันนี้พูดถึงคนที่ทํางานในการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ะนะเราต้องการให้เขากใกล้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมันไม่ถูกที่เราจะใช้วิธีที่มันอ่ที่อัละลาพรามในอายันี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดปรสงเพราะผลประโยชน์ของตัวเรา จุด ป, ประสงค์ที่เราไปคุยกับเขาเราไปบอกเขาเรามีเรื่องกับเขาเนี่ยต้องกานให้เขากลับไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้นะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเลยจากสภาพคนที่เคยจะเคอะหัวเราหรือจะโขกหัวเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่รักเราได้ผมว่าในนี้น่าจะมีคนบางคนหรือว่าใครบางคนมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ <laughs> มีไหมครับต้องถามบรรดาผู้อาวุโส <laughs> คนที่อาจจะเป็นศัตรูกับเราว่าเร า, าเยอะว่าเราต่างๆนั่นนะเสียเสียหายหายแต่ถ้าเรามีมารยาทที่ดีกลับไปพูดดีๆกับเขาก็อาจจะซาบซึ้งในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็อาจจะพูดดีกับเราหรือขอุอาให้กับเราหรืออะไรก็ว่าไปครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าว่ามาอยู่ลักกอฮอ่าอิลัลีนบร ทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อกี้คนที่จะได้ก็คือไม่มีใครได้เลยนอกจากคนที่มีความอดทนว่าไม่มีใครที่จะได้คนนลักษณะนี้เว้นเสียแต่ว่าเขาได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่มากๆอันนี้คือการรับมือกับมนุษย์ด้วยกัน เวลาที่มนุษย์ดยกันทำไม่ดีกับเราเราต้องตอบกลับอย่างนี้แล้วถ้าเป็นชัยตาน่ะชัยตานี่อยู่ในอายะตอบไถ่อายะิ ا ي ن ز ن ك من الشيطان نزغل ف ت ع ذ ب ا ا ل م ي ع العليم เวลาที่เราม่วัววัม่กระซิบกระซาบจากชัยตานมารบร้าหัวใจเรามาใหเราไปชักชวนใหเราทำอะไรที่มันไม่ดี วิธีการที่จะตอบโต้กับชัยพอนก็คือขอความคุ้มครองอิสตายนุบิลละขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺอินน ahuhu wasamiul alai มีฮาดิษที่บอกว่าเวลาที่เรามีวัศวะอะไรเนี่ยให้เราหันไปทางซ้ายแล้วก็อัลลอฮบิลละห์นะชัยพอนโรจีถอยไปทางซ้ายสามครั้งเป็นการตอบโต้ชัยพอนอัลลอฮฺอายัดนี้สวยงามมาก กลุ่มอายะ น, นี้อย่างที่บอกอิสติกละจะทํายังไงจะอิสติกละเครื่องมือที่จะช่วยเราอิสติกละต้องอุทดมตัวเองเพื่อบอกต่อความดีให้กับคนอื่นด้วยเพราะเวลาที่เราบอกคนอื่นแสนดงว่าเราเองก็จะต้องยืนหยัดในตัวเราก่อนและแน่นอนที่สุดเวลาที่เราไปบอกคนอื่นเวลาที่เราไปติสัมพันธ์กับคนอื่นมันจะต้องมีแรงกระท บ, บรับเมย อ, อยังไงถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันตอบกลับด้วยดีถ้าเป็นชัยตอนอูบิลละฮิมินัชชัยตอน อายนี้เป็นอายที่สวยงามที่สุดแล้วนะครับในสุรฟุตซิลัที่เราจะเอามาใช้เป็นวิธีการดำรงชีวิตของเราท่ามกลางสภาพโลกในปัจจุบันนี้อินชาอัลลฮ ه และ ت ل ى อัลลอฮ ا ل ل م وفقن الله ك م من ما يحب ر ض و ص ل الله على نبينا محمد ع ل ى آله و ص ح وسلم سبحان ر ر ب العزة أ ا ي َ ل ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن ا ل ح م د ُ ل ل ه ر ا ل ع السلام عليكم ورحمة الله وبركات